ปีนี้ก็คงคิดว่าคนจะมากนะวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาแต่เราลุงพ่อเองลุงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรเนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชิเชิญเราก็ไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์กูบาจารย์องค์ไหนจะมาก็ไม่ว่านิมนต์ถ้าไม่มากก็ไม่เป็นไรอยากโยมก็เหมือนกัน ทามาแล้วก็ดีเพื่อจะได้เห็นหน้าเห็นตากันโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่เคยมาบวชวัดหลวงพ่อนานทีปีหนึ่งมาพบมาเจอกันไัถามถ่ายกันแต่มาเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้เท่าแก่ชลาขนาดไหนหลวงพ่อปีนี้กดนมาพบมาเจอกันก็ดีแต่ถ้าไม่มาติดตุระไม่มาก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อได้ทั้งนั้นแหละ แต่ว่าโดยมากกับคนมาในเมื่อมาเราก็ต้องต้อนรับคับสู้เป็นธรรมดาเพราะคนมาบ้านเราเราจะต้องต้อนรับอยู่ยังไงกินยังไงพักผ่อนยังไงนอนยังไงตีนอนบอนมุง้งอาหารการบริโภคทุกอย่างเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องช่วยกันต้อนรับคับสู้แต่มีคนถามว่า หลวงพ่อจะนิมนใครมาเทศไหมไม่ต้องผมว่านิมนหลวงพ่อเทศเองทรงเองพูดเองมันก็ยังไงยังไงเอ้ยไม่เป็นไรพอเขามาหาเราเข้ามาวัดเราถ้าใครไม่อยากจะฟังตั้งแต่ผู้ถามนะถ้าไม่อยากจะฟังอย่าเข้ามาหลวงพ่อบอกถ้าไม่อยากฟังอย่าเข้ามา ถ้าเขาอยากจะฟังเขาจึงนเข้ามาถ้าเขามาเราก็ต้องฟังให้พูดให้เขาถ้าเราไม่พูดอะไรปัญหามันจะเกิดถ้าเราพูดไม่เป็นไรเราพูดมากพูดน้อยพูดค่อยพูดแรงพูดยังไงเราพูดแล้วก็จบไปอย่าไปหาพิธีพิธานอะไรมากมายนักหนาถ้อเขาอยากจะฟังองค์อื่นเขาไปฟังก็รู้อยู่แล้วองค์ไหนอยู่ที่ไหนไม่ต้องมีอะไรเราจะพูด มีอะไรเราจะพูดเองแล้วก็จบไม่ต้องถ้าเวดกูบาจานมาเออไม่ววากันมีหน้าที่ของสุเจ้าก็คือต้องดูแลแขกคนไปยังไงมาอย่างไงที่รับที่นอนพอไหมมันขาดหรือขาดตกอะไรอันนี้ช่วยๆกันดูแต่เราวิตกกังวลแต่อย่างเดียวก็คือ เดี๋ยวนี้เรายังมอบไม่ได้คือคือกุญแจกุญแจต้องมาให้เราเราก็ตามไม่จริงเราก็ไม่อยากจะให้นั่นแหะถ้าว่ามีผู้รับภาระรับผิดชอบในจุดนี้เราก็พร้อมที่จะปล่อยแต่ดูดูแล้วมันไม่ได้มันเลือกมันดูคนไม่ออกเพราะว่าเราเราเองก็มีผู้บอกบางทีเขาก็พูดก่อนว่าเขาจะมาแล้วก็หมายไว้แล้วว่าใครจะมาบ้างปีนี้ คุณแจอยู่กับเราแต่ถ้าหากว่าใครมาขนาดหนึ่งถ้าบั่นนอกบันหน้ามาที่เขาจะหลบไปที่อื่นเอาไปหยุบกุฏิเท่านนางนี้น ะ, ะเราพูดได้แต่ถ้าว่าเป็นพระอยู่ลูกวัดเนี่ยไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันอีกแล้วแตแขกเก่าแก่แขกวัดของเราเก่าแก่จะไปพัก เขาเคยพักเคยค้างาพวกท่านทั้งหลายเขา อ, อ่านไม่ออกอไปให้เขาไปพักที่อื่นนั่นแหละเกิดเทศแน่เลยสินี่สิ่งนี้เราเราก็กลัวอีกเหมือนกันน่ะกลัวมันจะทะเลาะกันน่ะไม่ใช่กลัวอย่างอื่นกลัวที่เขาจะไม่มาวัดอะไนั้นเราก็ไม่กลัวอีกถ้ามันทะเลาะกันเราไม่เป็นผลดีเพราะนั้นเราจึงได้รวบรวมแล้ได้ถือกุญแจแจก ว่าใครจะอยู่กุฏิหลังไหนอะไรที่ไหนบ้างโดยญาติพี่น้องของเรามาจะให้พักที่ไหนอันนี้เราก็ให้พักเป็นหมู่ใหญ่แต่คนจะมาเนี่ยพักที่ไหนสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรากุญแกเราก็ได้คิดสรุปแล้วก็คือยังมอบใครยังไม่ได้กุญแก ต้องเอามารวมให้เราซะก่อนเพราะเราจะได้เอาให้เป็นลายบุคคลบุคคลไหนเคยพักยังไงที่ไหนสมควรอย่างไรถ้าหลวงพ่อให้ไปแล้วเขาไม่ว่าอะไรนะถ้าสุเจ้าให้ไปนะเกิดเรื่องแน่แนเพราเราเคยเจอมาแล้วของเรื่องเนี้ยพอเรื่องสำคัญมาเราก็มอบให้หลวงตา เพการพูดแม่กุญแจคนนั้นคนนี้มากุณแก่เออท่านเป็นกดหม้อไผ่ถ้าหากว่าเรามอบไผ่เนี่ยไม่ได้แล้วคนนั้นหรือคนนี้คนนี้กด ค, คนนั้นเราไปลดเครดิตของเขาอีกอาบางคนเราเอาให้ไปแล้วเดี๋ยวลงตาบอกว่าเอาใครเอาให้อกนั้นเอาให้ไปบอกออกนะเอาคนนี้เข้าไป เ, าเป็นคนของท่านใช่เป็นคนที่ คนเก่าแก่คนดั้งเดิมของท่านเลยพักมาพักจะไปเอาคนเพิ่งมาใหม่เข้าไปเราก็เห็นว่าเขามันว่างเราก็ให้ไปโอ้โหจุดนี้แหละที่เราเบางอีบางองค์พระเอาไว้ไปแล้วไม่กล้าไปพูดเขานะเนี่ยเราก็ต้องได้เข้าไปไปยกแม่น้ำทางฮาไปขอรองเขาด้วยความยากลาบาก บางทีเขากดอิลุงตุ่มปองก็ถุงควรกว่านที่จะออกได้เพอร์เพอรเขายังเกียดขี้หน้าเราอีกต่างหากีน้แต่เราจะทํายังไงได้เพราะเป็นคําสั่งของพ่อแม่ครูจานเป็นคําสั่งของหลวงตาคําไหนก็ต้องคานั่นจุดนี้จะเป็นจุดที่ก่อนที่จะให้ลูกกุญแจใครเราก็คิดแล้วคิดอีกถ้าไม่มั่นใจต้องไปกราบถามไปกราบถามท่านก่อน พขเจอจอากนั้นเข้ามาทีเดียวเท่านั้นแหะโอะ้อยู่ไม่เป็นชุขเลยนี่แหละสิ่งเหล่านี้เราเคยทั้งหมดอยู่กับองค์หลวงตาอยู่วัดป่าบันตาดกุฏิมันก็อย่างที่อย่างทุกวันของเราทุกวันนี่แหละมันน้อยๆอย่างนีง้แต่ถึงยังไงก็เจอพอช่วงหลังๆนี่ตอนอนที่สาลายใหญ่เต็มไปหมดกลางมุงกดมุงขอบ เต็มไปหมดที่ศาลาข้างนอกอันนั้นคือวัดป่าบ้านตาดแต่ของเราก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าปีสองปีมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันมันก็อัดอย่างที่เห็นแต่มันก็ไม่มากแต่มันก็มากสําหรับวัดเรามันก็ไม่มากเหมือนวัดหลวงตาแต่มันมากสาหรับสาหรับวัดเราอันนี้ก็คือเราจะต้อนรับขับสู้อย่างไร นี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองค์ต้องช่วยช่วยกันคิดแต่ก็ยังหลายวันนี่หรอกจากนี้ไปเมื่อรับเสด็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแ่ะจึงจะได้ช่วยช่วยกันเรื่องที่ตี่นอนหมอนมุงเสือาสาตหมอนกองไว้ที่ไหนเก็บไว้อย่างไรอันนี้ก็ช่วยช่วยกันนะคิดไววางแผนเอาไว้แต่ส่วน ของแจกก็ให้ค้นดูนะท่านชิดค้นดูปีที่แล้วยนะมีไหมที่เราพิมพ์หนังสือออกไปมีคนเท่าไหร่ปีนี้ก็จะให้ทางหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้า น, านเขาสับหวจบัตรประชาชนสมโนครัวครัวเรือนบัตรสมโนครัวแต่ละหมู่บ้านมีกี่หมู่บ้านแต่ปีที่แล้วเนะี่ยเรา แจกของให้เขาเปนทั้งเจ็ดร้อยกว่าหลังคานะมีอยู่กี่หมู่บ้านหกหรือเจ็ดหมู่บ้านหกหมู่บ้านนาํำน้อยสองแล้วก็นาคังชุมพลห้วยเวียงงามปงปงทองนาคังห้าหกหมู่บ้านประชากร กี่หลังคาอันนี้เราก็ได้แจกให้เขามีข้าวมีน้ําปลามีนมแต่มันก็ไม่มากเราแต่เราก็ต้องแจกเป็นน้ําใจให้แก่ชาวบ้านแต่ถึงยังไงก็แจกเป็นเงินหลายแสนเหมือนกันนะสามแสนกว่านะแต่และปีแจกพี่น้องชาวบ้าน แต่ปีนี้ก็คงจะมีคงจะมีอย่างเาก่านั่นแหละการของถวายพระเราก็ไม่มีไม่ได้เน้นอะไรปีนะี้เรายังไม่ได้เน้นอะไรคงจะตุปปัจจัยถวายเดี๋ยวใกล้ๆวันเรายังคอยว่ากันเตรียมๆถวายจตุกปจนะัจจัยนั่นท่านมาทางไกลถวายองค์ยังไงองค์ละเท่าไรเท่าไรคอยว่ากันอันนั้นก็เรื่องของเรา แต่เรื่องรับเดลต์นี่ก็ดูนะถ้าใครอยู่ทางป่ามะม่วงเขาเป็นไปได้ออกออกมาทางทางนอกนะแต่มันมันอยู่ใกล้ใครที่ฟ้าหญิงอยู่แต่ว่าเวลาออกมาก็ออกไปทางหุวยซาย อ, อพราอออพร์ตเมโคงๆอพาร์ตเมนตสักหน่อ ย, น, อยนี่ท่านขณะที่ท่านอยู่อย่าไปเพ่นผ่านเข้าไปในพวกทาหารตำรวจเขาอยู่ ทำให้เขาไม่สบายใจเพราะขอรักษาความปลอดภัยเราก็จะไปเข้าไปใกล้ให้เราออกไปทางเดินไปทางห้วยทรายใครอยู่แถวนั้นในบอกกันแล้วก็พ้องกันให้ช่วยช่วยกันดูเรื่องเสือ้อตร์หมอนผ้าหม่มโกดังของเรามีอยู่แล้วมีเยอะอยู่ผ้าหม่มแต่ละผืนและกุฏิ เล็กุฏิน้อยแทบแถบนั้นข้างในผู้ที่ตามเสด็จก็ให้ท่านพักได้พวกข้าราชการบริวารของท่านพวกทหารพวกมันตั้งแต่ผู้ว่านะผู้ว่าพิพากษาอายการตำรวจทหารมาหมดเราจะให้พักที่ไหนก็ช่วยกันช่วยกันคิดนะแล้วก็ปรับสถานที่ด้วย เอาเ้าบ้านมาปรับสถานที่อันไหนเป็นหลุมเป็นบอ่ออันไหนที่มันไม่สะดวกสบายห้องน่องห้องน้ําลูกกงลูกกรปิดใส่กงใส่กรดูที่ผมเคยบอกนะั่นแหะเวลาไปดูกุฏิต้องดูถ้เกิเสียบกอนเข้าไปข้างในก็ดูเสียบกรดูทําไมนะเขาสวรั์ไปเจาะแล้วไปสิวให้มันเรียบร้อยแต่ทําให้ได้เขา นั่นนะผู้ที่เป็นช่างหกท่านนอยท่นจอมท่านต้มวันะ น, ว น, นั่นนะท่านเวทท่านนั่นนะเขาไปดูท่านวิทย์ผู้ที่จะเป็นช่างไปดูดูเจาะรูใหม่ลูกกรมันตกไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปลูกกรปิดไม่อยู่ก็ไว้อย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะไปอยู่น่าจะฐานที่ใดเราไปต่างถิน่น เราไปต่างถิน่นเขามาต่างถิน่นท่านก็ไม่ไว้ใจในถิศนี้เหมือนกันว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแต่ตามไม่จริงก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเราไปต่างถิน่นอันอย่างน้อยก็มีลูกกรลูกกรลูกกุญแจล็อกไว้ก็เป็นที่เตือนส่วนหนึ่ง ใครจะเข้ามาเขาต้องเคาะประตูอันนี้นก็จะได้เตรียมตัวไม่ใช่ปวดผ่านเข้ามาถึงตัวเลยเมื่อกองไม่ดีเพราะนั้นพวกเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของสถานที่เราต้องเตรียมต้องดูกุณจงกุณแจลูกกรอนล็อกให้ได้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนไม่ เราไม่ได้เสียดายขอสําคัญให้มันปลอดภัยเป็นที่สบายใจของผู้ที่พักพ้าอาศัยสิ่งเหล่านี้นะั่นแหละอันนี้คือสอนความรอบคอบผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าผู้ที่จะเป็นสมภารผู้จะเป็นหัวหน้าวัดผู้ที่จะเป็นหัวหน้าคนอ่านี่แนหะพวกท่านทั้งหลายต้องคิดสมัยหนึ่งผมอยู่ที่วัดป่าบ้านตา ผมก็เป็นคนสร้างกุฏิไอนะ้หมอมรัตสวงท่านมาแล้วก็มาพักกุฏิเขาก็พูดกับหลวงตานะลูหลวงตาเจ้าขากุฏิของดิฉันอยู่มีแต่กุญแจลูกบิดไม่มีลูกกรอไข้างในเลยเจ้ า, าคะเพราะกุญแจนีเขาเสียบลูกกุญแจข้างนอกก็เปิดได้ อยากจะได้ลูกกรอด้วยเจ้าค่ะขนาดเขาพูดตะขาวนู่นน่ะมันสี่ห้าสิบปีผมยังจำไม่ลืมกระทั่งเดี๋ยวนี้อันนั้นคือความปลอดภยัยมาพิจารณาดูแลนะละ่ะคือความปลอดภยัยชีวิตและทรัพย์สินของเขาเพราะนั้นเราสร้างกุฏิแต่ละหลังเราจึงมีลูกกรออยู่ข้างในด้วยไม่ใช่แต่มีแต่ลูกบิด พอลูกปิดเนี่ยเขาใส่กุญแจเข้าไปเขาขันไขข้างนอกได้แต่ลูกกอเนี่ยเขาไขา ย, ยังไงก็ไขไม่ได้ไขลูกกอนมีแต่กระแทกให้แรงๆเท่า น, นั้นลูกก้อนมันจึงจะหักจะแตกมันก็ต้องใช้เวลานานเพราะชุ่มควรสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายคิดนะหลวงพ่อไม่ได้สอนไม่ได้บอกเสาสล า, านะบอกให้พระในวัดหลวงพ่อในคิดสอนความรอบคอบ พวกท่านทั้งหลายไม่ใช่กาไปแล้วซื้อบือ้ซื้อหัเที่ยวรวดก็ลาดกิเลสไปไม่ดูกระทั่งกระโถนไม่ดูกก็นั่งแกลวน้ำน้ำก็ไม่มีไม่รู้จะจัดยังไงอย่างพระไปกับผมบางองค์ไปจัดกุฏิแล้วหลวงพ่อจะมีใช้น้ำยังไงใช้กระโถดยังไงไม่ได้คิดนะเพียงแต่ว่าจัดกุฏิที่นอ น, นะะแล้วก็แล้วบางทีหลวงพ่อ ไม่สบายหรือเป็นหวัดเป็นไข้เป็นลมขึ้นมาแล้วทำไงหาแก้วน้ำหาน้ำจะดื่มก็ไม่ได้จะวิ่งไปหาที่ไหนเอ๊ะทำไมพระจึงขาดความรอบครอบถึงขนาดนี้มาอยู่ใกล้เราขนาดนี้มันน่าจะคิดได้นี้ก็เหมือนกันกูติแขกทุกหลังต้องมีแก้วน้ำต้องมีกระโถนต้องมีน้ำให้เขาได้ใช้ไม่ใช่ว่าจัด แต่ที่นอนให้เขานอนเท่านั้นเวลาเขาเป็นลมกลางค่ำกลางคืนเวลาเขาจะกินยาลนะ่ะที่แขกที่มาพักจะทำยังไงสิ่งหมู่นี้พวกท่านทั้งหลายต้องคิดต้องดูกระดงกระดาษในห้องน้ำลูกกรห้องน้ำอย่างที่บ้านล็อกได้ใส่กรได้ถ้าไม่มีหาใส่เราไม่ได้ห่วง แล้วเอากุญแจให้ด้วยกุญแจตามกุดต่างๆไม่ใช่ไม่ต้องใช้กุญแจดีหรอกแต่ใช้กุญแจดีตัดยากเดี๋ยวลืมลูกกุญแจเป็นเรื่องใหญ่เอาลูกขนาดใช้ง่ายๆห้อยง่ายๆเอาลูกกุญแจมีกุญแจห้อยดีที่สุดกุฏิแขกถ้าไม่กุฏิแขกสาคัญนะกุฏิเล็กๆ ใส่หูใส่ใสายอยู่ใส่หูห้อยพอแล้วแล้วก็กุญแจให้ซื้อกุญแจไปให้กุญแจไ ม, จไม่ไม่เท่าไลายล็อกเพื่อความปลอดภยัยเวลามีอะไรของที่กุฏิเราจะได้ล็อกอย่าละรักษาไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปเปิดดู o ระลาบระลวงห้องมันก็ไม่สบายใจใคลายแต่ว่ามันไม่มีไม่เป็นส่วนตัว สิ่งเหล่านี้เราต้องให้เป็นส่วนตัว น, นัพระเก่าช่วยกันคิดนะอั น, นี้สอนวิชาสมพานฮสอนวิชาหัวหน้าให้แก่พวกท่านทั้งหลายไม่ใช่พวกเราจะอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหรบางทีก็หลวงพ่อตายไปพวกท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นหัวหน้าวัดกระจองได้คิดไม่ใช่หัวหน้าอมปากอมลิ้นเฉยๆซื่อบื้ออย่างนั้น หาความรอบครอบไม่ได้แล้วจะเป็นดีได้ยังไงศาสนาไม่ใช่ศาสนาโง่นะพุทธศาสนาศาสนาฉลาดรอบครอบไปอยู่ในสถานที่ได้ดูตาหูดูตาดูหูฟังใจคิดจำเนียกรับรู้ เรื่องต่างๆสิ่งควรไม่ควรอย่างไรเฮยละใจคนโบราณก็ยังสอนนกกระสากับหมาจิงจอกเอามาใช้ก็ยังทันสมัยนกกระสามาปากแหลมใช่ปากยาวนะพอไปหาหมาจิงจอกหมาจิงจอกก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีตัวเองคือกินข้าวในจานผลในสุด โเวลาจะเลี้ยงอาหารกง น, นกกระสาเพื่อนมา ก, กันนะเอาเข้าวเอาจานมาให้นกกระสากินนกกระสาจิกยังไงก็ไม่เข้าเพราะปากมันแหลมนะงตามจริงนกกระสาต้องใส่กระบอกกระบอกไม้ไผ่ลึกๆใส่แล้วก็จิ้มลงไปขาบอาหารขึ้นมาเต็มปากเวลามาจริง จอกนกกระสาไปกันนะให้มันจิกกินในจานนะจิกยังไงมันก็ไม่ได้ถนะ้มันปากมันแหลมในทะีละเมนะ็ดเน่ะมันจะตายเอาเด็ดแต่ี้พอม้าจิงจอกไปเจี่ยมนกกรนะสาเนี่ยนกกระสาก็เอาอาหารใส่กระบอกให้นกให้หมาจิงจอกกินนะมันก็าปากเข้าไม่ได้ใช่ไหอาปากมันสั้นใช่ไหมปากมันใหญ่มันก็เลยไม่ได้กินอาหารอีกเหมือนกันมีแต่เลียอยู่ข้างนอกอผลที่สุดนะ มันโง่เท่าๆกันไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราไม่รู้จักอำนวยความสะดวกเขาสะดวกอย่างไรเอามาแต่ก็ไม่ให้มันเกินไปไม่ใช่โร ง, งแรมห้าดาวถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องอำนวยความสะดวกเขาเป็นอยู่ยังไงเขาเป็นมาอย่างไงเราอยู่เราใช้อย่างไงบางทีเราก็เขาใช้อย่างนั้นเราก็ เราใช้อย่างนี้แต่เขาใช้อย่างนั้นเราก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขาใช้อย่างนั้นนะเหมือนกับม้าจิกจอกกับนกกระสาอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันพวกเราท่านทั้งหลายนะต้องช่วยๆกันคิดจะให้ผมไปคิดทุกอย่างแล้วไปให้ผมไปปฏิบัติไม่ได้แต่ผมเคยปฏิบัติมาแล้วที่ผมพูดให้ฟังอน ะ, ะผมอยู่บ้านตาตผมเป็นแม่บ้าน หลวงตาเนี่ยเป็นพ่อนะใครมาต้อนรับคับสู้ผมก็ต้องต้อนรับเหมือนกับเราเป็นลูกนะต้อนรับแขกแทนพ่อนะต้อนรับคับสู้อำนวยความสะดวกอย่างไรแนะนาอย่างไรเขาไปหาพ่ อ, เ, อ, อเวลาอบรมแนะนำสั่งสอนก็เป็นหน้าที่ของพ่อแต่ว่าต้อนรับคับสูนะ้อยู่กินยังไงใช้ยังไงเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดูแลเขาอำนวยความสะดวกให้กับเขา แต่บางแขกบางคนก็นเลือกเกินเนาะอยู่บรรตามันยุงมันก็เยอะใช่ไหมอพอยุงมันเยอะจะนี่กัพอกลางม้งกลางม้งพวกกรุงเทพมันคงจะกลัวผีเฉยเลยก็ใจใต้ตะเกียงตะเกียงเอะตะเกียงน้ํามันก๊ัดนะตะเกียงไส่นะเอาเข้าไปในมุ้งโอ้พอที่ไหนได้เข้าไปมันดํายิ่งกว่าอะไรเพราะหมดควันมันขึ้นไปลมม้งค่ะ ตายตาย ต, ายตายพอเห็นแลยกัเราเป็นเจ้าของบ้านสะอึกเลยโซอจอมาซักพันตะเกียงออกจากมุ้งนะอยู่ข้างในเนะี่ยเบอรเหมือนกับเป็นยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เต็มไปหมดเลยมันจุดทั้งคืนเจ้าของเขาก็เปิดแหนบเขาคงจะคิดเหมือนกัน ต, ต, ต, ต, ต, ตายตาทํายทำังไงขาดไม่ถึงเออใต้ยตะเกียงในมุ้งคิดได้ยังไงเออ ใครอยากทดลองทดลองดูนะเป็นยังไงกลางมุ้งเสียแล้วใต้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันกัดเออมันควันดํำมันไม่ใช่แต่ควันดำมันจมูกตัวเองก็ดําด้วยใช่ไหมมันหายใจเขาน่ะควันดําพวต่ตนตื่นเช้ามามันเข้าทั้งจมูกคนนอนน่ะเนี่แหละสิ่งเหล่านี้เราเห็นหมดเพราะกลัวผีอ่พูดง่ายๆยังไปกลัวอะไร ท่านอยู่มาจนพอแรงนะท่านไม่เห็นกลัวอยู่ในวัดของท่านเราไปไปหากลัวไปหา ห, าหลอกเราคนเดียวได้ยังไงถ้ามันหลอกก็ต้องหลอกคนอื่นมาพอแรงนะอันนี้เขาก็ไม่เห็นว่าอะไรทำให้เราจะไปหากลัวในวันนี้เป็นวันที่สองเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าทราบว่านักศึกษาที่มาบวช คงจะลาสิกขาวันที่สิบสามนะหงพ่อทราบอย่างนั้นแต่ถึงยังไงพวกท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายอย่าไปคิดให้อยู่ในปัจจุบันเป็นวันๆให้ภาวนาเรามีโอกาสจะหาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตัอ้งอกตั้งใจปฏิบัติ พยายามอยู่ตามลำพังให้มากที่สุดเราทดลองดิทิ่กรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านพาดำเนินมาอย่างไรพระพุทธเจ้าไปอยู่ในปา่ารงพงไพ่ถึงหกปีท่านอยู่ได้อย่างไรใครเป็นเพื่อนคุยของท่านสมัยท่านไปอยู่ใหม่ๆต่อมาก็โกนญญะะธัญญะวบปะพัธิยะมหานามะอจิ ช, ชิเข้าไปดูไปดูปนิบัต สิทธะแต่ใหม่ๆพระองค์อยู่ตามลำพังต่อมาอีกโกนธัญะวะปะพัทธิยะมาหานามาติชิก็เห็นว่าสิทธะคลายความเพียนเปลี่ยนมาเป็นคนมากๆชั้นอาหารในขณะที่อดอาหารปัญจวคีก็มั่นใจว่าสิทธะเอาจริง แต่ก็ไม่มีใครที่จะรู้ไม่มีใครที่จะรู้ว่าใจของส่วนพระทัยของศิทธะนั้นท่านคิดอย่างไรมีแต่เห็นอากับกิริยาภายนอกเห็นท่านอดภักยาหารก็คิดว่าท่านเอาจริงเอาจังแต่ท่านเป็นการทดลองทดสอบดูเหมือนกับลองวิทยาศาสตร์งนั้น่ะ อันนี้ลองจิตศาสตร์เรื่องจิตใจพระองค์ทดลองไม่ใช่เอากลับมาใหม่อีกทำตรวนั้นอีกไม่ใช่กลับมาใหม่อีกมีมากหลากหลายอย่างจนรู้จักแนวทางรู้จักวิธีการปฏิบัติกับใจของพระองค์จากนั้นท่านพระองค์จึงได้ตรัสรู้ อ, อนุตระสัมมาสัมโพธิญานมั่นใจจากนั้นก็เดินจนพ้นทุกข์ในเมื่อพ้นทุกข์หมดกิเลสแล้วท่านีนน่ท่านยังไ น, นําธรรวิธีเดินมักวิธีปฏิบัติท่านทําอย่างไรท่านรู้นะด้วยพระองค์เองจากนั้นก็มาแนะนําสั่งสอนสิทธิญานุสิทธิ์ทั้งหลายจากนั้นก็มา ทมสอนเป็นหลักพระธรรมวินัยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมะขันมีพระสูตรมีพระวินัยพระอภิธรรมอันนี้คือทมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ะขอให้พวกเราลูกหลานทุกองนะให้ยึดตามแนวแถว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไดรู้ได้เห็นยังไงท่านบอกกล่าวยังไงเราก็ได้นำท่านอ่ะแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นกระจกเงา เราก็ยกไว้ส่วนเหนือศีสษะลวกไว้ที่สูงแต่เราก็ยึดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นที่พาดำเนินเร็วๆนะี่ท่านเดินยังไงเดินสมาธิท่านเดินยังไงท่านเดินปัญญาท่านเดินยังไงเดินอิปัติชนาเนะี่ยเดินสมาธะเดินยังไง เดินวิปั จ, จนาเดินยังไงพวกเราจะได้โลกเราก็ได้รู้วิธีเดินมักของท่านสรุปแล้วก็คือสมาธิจะทำยังไงใจจึงจะสงบใจจึงจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งที่ผมเคยพูดให้ฟังพระในครั้งพุทธกาล เลือพิกชุนีในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาอะไรท่านก็ไม่ได้ใช่ว่าภาวนากรรมฐาน40สอย่างเดียวนะอย่างที่ผมพูดให้ฟังภาษาริบุตรท่านได้สาเร็จได้ฟังเทศอย่างไรพระอัจารยเชิญ เ, เทศให้ภาษาริบุตร เ, เทศอย่างไรพระพา ย, ยะ ได้ฟังพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เทศในถนนน่ะท่านพระองค์ตรัสอย่างไรนางภิกษุณีนางปตาจาราที่ได้สําเร็จเป็นพระหัน์ท่านเทน้ําล้างเท้าของท่านถึงสาครั้งเทครั้ง 1, แแหนึ่งกรแหงเทครั้งที่สองไหลา ย, ยาวไปอีกเทครั้งที่สามไหลา ย, ยาวไปอีกท่านก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คนเราเกิดมาเกิดมาหน่อยหนึ่งก็ตายกลางก็ตายพอในสุดตายทุกคนเหมือนกับน้ำล้างเท้าท่านเห็นอนิจจังจากนั้นก็เข้าไปสู่จิตใจของท่านท่านเคยพ้นทุกข์อย่างปัจจุละบรรท ก, กะท่านก็เห็นความไม่เที่ยงของผ้าเช็ดหน้า เห็นอเนจังความสกปรกแล้วก็พระท่านพระติสสะเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรท่านก็เห็นดอกบัวทองที่เหลืองอลางสุกใสต่อมากระเศร้าหมองก็เห็นอเนจังท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายมีมากที่พระอรหัน แตสาวกในครั้งพุทธกาลที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วเราจะเห็นแนวทางของท่านเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ก่อนที่จะเห็นอย่างนั้นท่านเดินอย่างไรนี่แหละแนวแถวของหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ท่านให้เดินมักคือสมรรคกร พยายามทําจิตใจให้สงบก่อนพยายามนั่งภาวนากขากำหนดกรรมฐานบริกรรมกรรมฐานหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรน่นะนี่แหละกรรมฐานของหลวงปู่มั่นกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุทธโทเป็นหลักยึดพุทธโทเป็นหลักมีสติสัมปชัญญะอยู่กับกรรมฐานคือพุทธโท นี่แหละอันนี้แหละคือกรรมาฐานจุดเริ่มต้นจุดยืนเบื้องต้นจากนั้นเราจะบริกรรมว่าตายตายก็ไดเออ้เราเห็นคนตายเราอีกสักวันหนึ่งเราก็จะเหมือนกับเขาเราเห็นอันตรจังของไม่เที่ยงร่างกายของเราสมัยตะก่อนเป็นเด็กแต่ปัจนี้ใหญ่ขึ้นมามันไม่เที่ยงต่อไปก็เห็นเท่าแกชา่ชรา อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่มีใครที่จะหนุ่มแน่นเท่าแกชลาไปเรื่อยอันนี้เราก็เห็นความแกชลาความเป็นอนนจังสิ่งเหล่านี้ให้เรานึกน้อมเข้ามาหาตัวเองอันนี้คือวิธีการภาวนาหรือพิจารณา เห็นอเนจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรักพูดยังไงไจรักคือไตรแปลว่าสามลักษณะคือการเป็นอยู่มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนออเนจังเป็นยังไงของไม่เที่ยงทุกขังสิ่งไหนเป็นทุกมันไม่เที่ยงแล้วจะเป็นสุขได้ยังไงมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกจะยึดว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรม่ใช่ตัวตนของเราเนี่แหละ อันนี้ก็คือเดินเดินวิปัสนาแต่ก่อนที่จะเดินวิปัสนาเดินมักรก่อนคือจิตใจทําจิตใจให้สงบสะก่อนนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราพารูกหลานทั้งหลายถึงจะไม่เดินถึงวิปัสนาขเขาจะพยายามทําจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งให้ได้ให้เป็นหนึ่งให้นิ่งให้ได้ถ้าจิตใจนิ่งแล้วนั่นล่ละจึงเป็นคุณูปการอย่างมากต่อพวก ลูกหลานทั้งหลายตอไปในอนาคตเพราะได้ริมรถความสงบเมื่อริมรถความสงบแล้วต่อไปภายภาคหน้าความมั่นความขยันจะเกิดขึ้นมาเองท่นี่ถ้าว่าเราทำพอโยยเยาะเยะหลอๆเละเลยแหละพอทำเข้าไปได้หกือคิดถึงนั้นหรือคิดเรื่องนี้เขามารบกวนตัวเองเราต้องสู้เราต้องตัดขาด เราต้องเด็ดเดี่ยวต้องมั่นคงในเมื่ออยู่ตามลำพังอยู่ตามลำพังจริงๆภาวนาจริงๆนั่งภาวนาจริงๆทดลองดูสินั่ง้สักสามสี่ชั่วโมงไปไงทดลองดูมันปวดปวดที่ไหนมันเจ็บเจ็บยังไงนั่งดูนั่งภาวนา อยากจะให้พะลูกพลานทดลองนะเมื่อได้ผลไปแล้วมันไม่ใช่ของพ่อได้นะลูกหลานนะเป็นคนได้พวกลูกหลานจะจําไม่ลืมทีนะี้เมื่อภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเป็นพื้นฐานเป็นหลักแล้วต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยมันความมันความขยันจะเกิดขึ้นมาเองพอเราเห็นความสุขในจิตสงบแล้วเห็นผลแล้ว ในการภาวนาของเราเนะี่แหละวิธีการภาวนาข อ, ขอให้พวกหมู่พเพื่อนทุกองก็เหมือนกันนะั่นะอย่าไปถืออย่างอื่นสำคัญในการบวชเรื่องการเรื่องงานก็นเอาทำอย่างผมน่ผมก็ทำสมัยก่อนอย่างที่บอกให้หมู่เพื่อนทั้งหลายฟังนะนะั่นแแต่ว่าถึงยังไง ถึงจะทํำยังไงก็เถอะแต่ส่วนลึกในใจแล้วเราต้องสอนตัวเองเรื่องสายสิ่งภายนอกคือสิ่งภายนอกนะแต่อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดนะแต่ว่าการทำนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลให้หมู่พวกเพื่อนได้ใช้อย่างที่เราหลวงพ่อสร้างศาลาหลังนี้นะหาเงินมายังไงสร้างอย่างไงหาช่างมาจากไงคิดอ่านยังไง มันไม่ใช่ของง่ายๆก่อที่จะเป็นศาลาหลังนี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าไม้ไม่รู้ว่าอะไรต่อไม่อะไรแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีประโยชน์พวกเราก็ได้พึ่งพาอาศัยอย่างนี้แหละใครๆมากนเนี่ยแต่มานั่งได้มาพักพาอาศัยเราพูดทำนะก็สบายอกสบายใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่แหละถ้าว่าเราไม่สร้างเอาไว้ แล้วพวกผู้อื่นเข้ามาแล้วจะทํำยังไงจะอยู่ได้ยังไงอันนี้เรผู้ทำนี่ก็เป็นคูนูประ ก, การเหมือนกัน่เราไปวัดอื่นๆเหมือนกันที่เราไปวัดหลวงตาก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้สร้างแต่คนอื่นเขาสร้างไว้เราก็ได้ไปเพึ่อพาอาศัยต่อไปเราก็ได้สร้างให้หมูพวกเพื่อนหมูเพื่อนก็ได้มาเพิ่งพิ่งพาอาศัยต่อไปภายภาคหน้าหมูพวกเพื่อนก็สร้างอีก ต่อมากับทืบท อ, อดกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือปัจจัยสี่เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเรามันก็จําเป็นถ้าวัดวาศาสานาไม่มีที่พักพักอาศัยล่ะเราจะอยู่อย่างไรมันก็อยู่ลําบากเหมือนกันนะไปตากแดดตากฝนอยู่ได้อย่างไรไม่ได้เราก็ต้องทําแต่เมื่อทําเสร็จแล้วก็คือแล้วเป็นบุญเป็นกุศล สําหรับผู้ที่ได้ทําให้แก่หมูแก่เพื่อนในพักพาอาศัยแต่ผู้ไม่ทําก็ให้ตั้งใจภาวนาทําให้ทําน้ว น, น, น, นอนกินแล้วนอนกรดแล้วนินไม่ได้ทําอะไรเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมด ني, ขี้เกียจภาวนาต่างหากที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อ ว, วัดวาศาสนาก็ไม่ทําำ น, นั้นแปลว่าเปล่าประโยชน์ เมื่อหมู่พวกเพื่อนทำงานเราก็ช่วยๆปัดกวาดทำความสะอาดทำงานเรื่มกันอันนั้นกันคิดเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เกือกูลหนุนกันอันนี้ก็บอกกล่าวให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านช่วยๆกันคิดนะเพราะว่าวาสานามันเป็นของพวกเราร่วมกัน ปัดกวาดทำความสะอาดห้องน้งห้องน้ามันเป็นนาทีของพวกเราจะต้องช่วยกันทั้งนั้นแหละพอเราอยู่ด้วยกันมาเรามีแต่ใช้เราไม่ได้ช่วยมันก็ไม่ได้เรามาอยู่ถ้าเรามีแต่ใช้เราไม่ได้คิดช่วยหมูมันก็หนักหนักหมูหนักมหกมูหนักเพื่อน แต่ถึงยังไงเราต้องช่วยกันทำเมื่อเราช่วยกันมันก็ไม่หนักเพราะเราแบ่งเบาภาระกันนี่วัดวาศาสนาท่านจะไม่ให้ไว้ให้มีความพร้อมเพียงสมัครคีของหมู่ของคณะท่ามหมู่หมู่พวกเพื่อนมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันรู้จักเฉลี่ยกันในการทํางานสงในกลุ่มนั้นก็มีแต่ความร่มเย็นผาสุข ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างทําไม่ได้คิดนั่นจะหาความร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้นะแต่อยู่ข้างนอกมันก็ไม่ราบรื่องนข้างในมันชนกันอยู่ตุบตับตุบตับตุบตับทิธิมันชนกันอยู่ข้างในอันนั้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของพระพระมันต้องถอดเขี้ยวถอดเต็บ อันไหนที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอันไหนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราต้องทําอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นทําอย่างนั้นโทดอย่างนั้นเนี่ยเพราะเรามามาเพื่ออยู่เพื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าไม่ได้อยู่เพื่อเราเนี่ยขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยู่นสถานที่ใดมองกันในมองในแง่เหตุแง่ผล อย่าไปมองกันในแง่ร้า ย, ยาทางมองกันในแง่ร้ายแนตะ่ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่บางคนมันมีนะพระบางองค์มันมีนะคนบางคนมันมีนะมองกันในแง่ร้ายทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้กับเราเลยแต่ไปมองเขาดูถูกเยียดยามงเขาเพ้อเพอยังดูถูกพระพุทธเจ้าอีกต่างหากดูถูกพระพุทธเจ้าดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูถูกผู้คนในต่างหาก ใจประเภทนั้ น, นเราใจประเภทหมาบ้าหลวงพ่อว่านะมันมีเลมันมีอยู่กัดคนนู้นกัดคนนี้ไม่มองตัวเองเจตจิตประเภทได้สานึกน่จิตประเภทหมาบ่านะชอบดูถูกคนอื่นเห็นคนอื่นไม่ได้ขวางตาดูถูกกระทั่งพระพุทธเจ้า ไม่ต้องดูถูกหลวงพ่อแล้วันนะหลวงพ่อถ้าดูถูกก็พุทธเจ้าเราไม่ต้องพูดถึงหลวงพ่อแล้วเห็นนะมันมันดูถูกก่อนนะบางคนก็ถามว่าจะทำยังไงหลวงพ่อหลวงพ่อวนะันน่ะจิตประเภทหมาบ้างมันก็ต้องมองตัวเองสิข้ามีดีอะไรถามตัวเองด้ ข้ามีดีอะไรมึงมีดีอะไรแต่แกเนี่คิดอย่างนั้นจะ แ, แกยึงดูถูกคนผู้มีพระคุณอย่างนั้นมีอะไรแต่แกมีดีอะไรเอาความดีออกมาสิไล่ให้เราได้ดูซิตัวเองมีดีอะไรถ้าตัวเองชั่วชา้าลามกจกเปรตอยู่แล้วจะไปหาดูดูถูกผู้อื่นไปหาไม่เคารพผู้อื่นยัง ดูถูกพระพุทธเจ้าดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็เหมือนถมน้ำลายขึ้นฟ้าลดหน้าตัวเองนะนะมันจะเกิดประโยชน์อะไรกิเลสต้องทำอะไรลนะ่ะคือกิเลสกิเลสมักใหญ่ไฟสูงกิเลสปรปราศาตีเสมอกิเลสตัวกิเลสตัวนี้แหละจะพาไปตกนรกหมกไหม ไปสู่นรกเอาเวจีเนี่ยกิเลสตัวนี้แหละอย่าไว้ใจมันนะใจนะถ้าขืนคิดอย่างนี้นะ่ะมีถ้าไปทางต่นะนะํานั่นน่ะมันไม่ไปทางสูงองกจิตประเภทอย่างนี้นะใจนะ่ะต้องสอนใจตัวเองอต้องค้นหาความดีของตนเองเปรียบเทียบกับความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหมูพวกเพื่อนเทาไปอย่างนั้นนะ่ะมันกัดด่าไปหมด ถึงจะไม่พูดกับข้างนอกเพรกัดก่อนแล้วกิเลสใจ ห, หมาบ้าประเภทนั้นมีไหมในพวกเราท่านทั้งหลายถ้ามันมีอย่าไว้ใจมันนะเนี่ยแหละเป็นหนทางแห่งหนทางนรกหนทางทุกข์ที่จะตามมาหาตัวเองต้องเปรียบเทียบว่าเรามีดีอะไรเรามีคุณงามความดีอะไร สิ่งที่มันดีในใจของเรามีอะไรบ้างที่เป็นที่อุ่นใจเป็นที่อุ่นใจรอยังมันจะเป็นอุ่นอย่างไรมันใจมันแห้งเยิ่งกว่าอะไรใจของเรามันร้อนยิ่งกว่า อ, อยู่กลางแดดเดือนเมสายต่างหากใจเหมือนหมาขี่เลือน่ะเพราะฉะนั้นพวกเราดูนะ อันนี้เราเคยเห็นเคยได้ยินแต่มันเคยมีนะอย่าให้มันเกิดขึ้นเวลามันเกิดขึ้นเน่ึงย้อนไปหาคุณงามความดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธสามทับอย่าคิดอย่าคิดกิเลสกิเลสกิเลสต้องมองหน้าต้องมองหน้ากิเลสโลกโกรธหลงมักใหญ่ไฟสูงไม่รู้จากสูงไม่รู้จากต่ำ ปราศตีเสมอมันไม่ใช่ตีเสมอนะมันตีข้ามไปอีกกิเลสตัวเนี้ยไม่น่าไว้ใจกิเลสตัวตำช้าเร็วซามตัวเนี้ยมันทําไมมันไปหาดูถูกหมู่พกเพื่อนดูถูกกูบาอาจารย์ดูถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์กิเลสพวกเราต้องดูนะถ้ามันเกิดขึ้นมาอะไร มันต้องหาสัมทับไปเลยปิดรูนไว้เลยถ้าปิดรูไม่อยู่ก็ดูค้นหาตัวเองมีดีอะไรแต่แต่แต่แกทำดีอะไรเป็นที่อุ่นใจละอย่างกิเลสราคะโทสะโมหะหมดละอย่างทำดีอย่างที่ท่านได้สั่งสอนจิตสงบมันมีละอย่างเคยทำละอย่างถ้าไม่เคยทำยังไม่เคยสัมผัสเลยเลยอย่านะใจนะ กิเลสนะนี่ต้องสอนตัวเองนะแต่ถึงยังไงกขขอให้พวกเรานะมาบวชทั้งทีต้องใช้ความอดทนถึงยังไงก็มีความถ้าพระใหม่ก็มีกำหนดอยู่แล้วเราจะภาวนาอย่างไรเราจะวางแผนอย่างไรชีวิตของเป็นการเป็นหมอของเราเนะี่ยเราก็ต้องวางอีกเหมือนกัน มาเราเรียนจบแล้วเราจะทํำยังไงเราจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่อย่าไปขาดเรื่องศีลและธรรมนะพาลูกพารันนะถึงยังไงยังไงถ้าเป็นไปได้หนะลวงพ่อนะี่ยอยากให้พวกเรามีศีลห้านะเรื่องสุราเนี่ยนะเป็นหมอเนะี่ยควรจะงดเด็ดขาดหลวงพ่อว่านะนะไม่ควรดื่มหอกสุราถ้าดื่มเข้าไปแล้วไม่เป็นผลดียิ่งการผ่าตรงผ่าตัดเข้าไปแล้ว จะทำให้เราเสียหายอย่างมากอไม่รับผิดชอบในชีวิตของเขาจะรับผิดชอบได้ยังไงเพราะเราขาดสติเพราะนั้นตั้งแต่ออกนอกวัดหลวงพ่อไปแล้วพวกลูกหลานบวชแล้วควรจะตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าไปเจ้าจะไม่ดื่มสุราของมึนเมาโดยเด็ดขาดอยากจะให้ลูกหลานพวกจางนั้นอันนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินนะลูกศิษย์หลวงพ่อลูกหลานหลวงพ่อะถ้าใครทําอย่างนั้น ถ้าเข้าไปอะไรทะเลทะเลกินเหล้ามอยาตาปือ๋กินเหล้าเข้าไปนั่นแหะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะถลําไปทางในไปทางชั่วเลยจนี่สิ่งที่ไม่เกิดเมื่อจะเกิดขึ้นต่อไปก็จเจริญ ง, งอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเผลอกว่าจะรู้ตัวได้นะไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะนันยาทำนะถ้าเราต้องการ เป็นคนดีเป็นหมอที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นหลานที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่อให้ลูกหลานทั้งหลายมดจุดเรื่องสุราถ้าความชั่วตัวอื่นก็ค่อยๆดูท่านในเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเองนลมันก็จะต้องรู้ละอันไหนเป็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรจะรู้จะเห็นได้แต่ขณะที่เรายัง สุรายของมึนเมาเรายังงดไม่ได้นี่ยโอ้ตัวนี้มันจะเสียหายมากนะอย่ามาคัญชายาฝิ่นเฮโรอินคันชงคัญชาเลยห้ามมดพราะเป็นตระกูลมึนเมาอย่าแต่อย่าทดลองถ้าทดลองดูแล้วนะการทดลองตัวนั้นละ่ะมันจะเป็นเครื่องหนึ่งสิ่งที่มันชั่ว หนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วสิ่งที่มันชั่วอย่างอื่นมันจะตามมานยเพราะนั้นควรละเสียจะให้มันมีแต่ทีแรกจะให้มันมีหนึ่งเลยที่ของมันเร็วๆเนะใ่้งดนะถ้าทำได้อย่างนั้นดีนะลูกหลานนะที่มาบวช ก, กับวัดหลวงพ่อขอให้เป็นหมอที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรม เพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่ให้พวกเรามาบวชเนี่ยท่านก็อยากจะให้พวกเราเป็นหมอดหีหมอมีคุณภาพหมอมีคุณธรรมมีหมอมีจริยธรรมมีคุณธรรมหมอเนี่ยก็ชั้นปัญญาชนชั้นเลิศในยุค ป, ปัจจุบันยังเป็นลูกหลานได้สอบข้อขนาดนี้แล้วเป็นที่ยอมรับของ ปวงประชาทุกหมู่เหล่าใครได้ยินก็เป็นที่จกย่องเชิดชูว่าเป็นหมอและจะมีการได้มาศึกษาธรรมะอีกเพราะนั้นเมื่อเข้ามาศึกษาธรรมะพวกเราให้ศึกษาจริงๆสิ่งไในที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อตนเองพยายามทําให้ดีที่สดุดอย่าให้ขาดตกบกพร่องและการกรองให้ดีที่สดุด เมื่อดีที่สุดแล้วออกไปเราก็ยึดตามแนวแถวที่เราคิดดีแล้วนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติชีวิตของพลูกพหลานก็จะราบรื่นตลอดไปจะไม่สะดุดนะแต่ถ้าเราพวกพะลูกพะห ล, ลานทำตัวไม่ดีแล้วมันสะดุดนะพลูกพะหลานนะให้ตั้งทนเป็นคนดี ต่อไปภายภาคหน้านู่นเมื่อทำการทำงานเสร็จแล้วเออภาวนาจิตใจสงบเราจะจะบวชไว้ต้องคอยเอาจริงเอาจังเท่นี่บวชอีกก็ได้เป็นไรไปบวชเพื่อศึกษาภาวนาพอเราได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติแล้วอันนี้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วหมดภาระอาจจะมีบางท่านบางคนมีอุปนิสัย ให้บำเพ็ญบนโลกกันนี่มันมีเท่านั้นแหละถึงจะเจริญไปยังไงก็เจริญจเจริญไปเถอะรวยขนาดไหนก็รวยไปเถอะผลที่สุดก็ทิ้งทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะติดตัวแม้แต่นอยเดียวนอกจากบุญกับบาปเท่านั้นน่ะที่จะนำติดจิตติดใจของเราไปสู่ปรโลกภายภาคหน้านอกนั้นมีแต่ทิ้งร่างกายก็ทิ้งอ แต่มีแต่ใจเท่านั้นแต่ไหที่จะเดินออกจากร่างนี้ไปเราจะไปไหนนอกจากบุญกับบาปพาไปไหถ้ามีบาปพาไปก็ไปตกต่บถ้าบุญพาไปก็มีแต่ความผาสุกไปสวรรค์ชั้นไหนไปได้ทางนั้นเราขอให้พวกเราทุกขั้นนะลูกหลานทุกองนะตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะจากช่วนระยะหนึ่งคอยเลิกกัน